สมสเรื่องนี้เกิดขึ้นในปลายฤ ด, ดูร้อนปีหนึ่งเมื่อกลุ่มเพื่อนผมนัดรวมคนที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทริปไปเที่ยวเกาะ ก, กูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวหางออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนัก พวกเราเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารประปากาศของบริษัทขนส่งจากสถานีเอกมัยมาลงตัวที่จังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบคำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็น ที่จัาของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปยกพื้นสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นห้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลัง จะมองเห็นเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นอยู่มากมายเสียงร้องของสัตว์ต่างๆดังออกมาจากป่าละมอดแถวนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกด้วยความกลัวโอนขยะกระงมากที่สุดก็คือเสียงของตุ๊กแกที่ไต ย, ยัวเย้ยอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบป่าพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคน ตางมีอัธยาศัยที่ดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและสุบซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทกันมากแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุงมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียว แล้วต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปเสียงจอกแจ๊กเสียงดังจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สา์ส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆเสียงเรียวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายได้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ผมต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามืออุดหูด้วยความเกลียดและกลัวนาแปลกที่บรรดาเพื่อนๆนยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นมาเบ า, เบา ผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวมันเหมือนกับเป็นภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเสียงในความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวๆภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเอง การสนทนาของพวกเขาสะดุดหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่แล้วทุกคนก็หันจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาพวกเขาเป็นชาวบ้านที่ทำงานที่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆเพราะเกรงใจว่าจะรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรกันเหรอครับมาทำอะไรกันดึกๆอย่างนี้เสียงของผมนั้น ทำให้เพื่อนบางคนเริ่มรู้สึกตัวตื่นและขยับพิกตัวผมหันไปมองเพื่อนที่กำลังลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นก็เห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนแล้วพร้อมกับถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกล้งเล่นอยู่ในมือผมแปลกใจมาก ไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเด็กก็เริ่มวิ่งไป ร, บรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนของผมที่ยังคงนอนอยู่พร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังเป็นจังหวะแล้วส่งเสียงกรีดร้องมันดังห้วยหวนมากจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูตอนนี้เพื่อนผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่ง แล้วมองหน้ากันด้วยความงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งผ่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลก ที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจว่าลูกตัวเองกาลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่แล้วเพื่อนผมก็หันมาถามผมว่าคุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแล้วนี่เสียงอะไรนะ่ะใครร้องใครเคาะฝาบ้านมันหามด้วยเสียงที่สั่นแล้วก็หันไปมอง ร, บรอบๆห้องอย่างวาดตัวซึ่งดูเหมือนกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอ้า ก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กเนี่ยมาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบด้วยความโมโหจากนั้นผมก็ขยับตัวลุกขึ้นเดินไปยังสวิตไปแล้วกดปุ่มเพื่อที่จะเปิดไฟในห้องแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำอีก ในขณะที่เสียงกรีดร้องและข้อผนังห้องของเด็กนั้นยังคงดังอย่างต่อเนื่องมันทำให้ผมเหลืออดจึงใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นว่าไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็สว่างขึ้นเสียงอึกทึกและเด็กน้อยคนนั้นก็หายไป ห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไป ร, บรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆ น, นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวผมรีบเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแต่เมื่อมองฝ่าความมือดออกไปก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินหยุดตรงท่าเรือวกเขาหันมามองที่ผมอีกครั้ง ด้วยแววตานิ่งเฉยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เพื่อนผมกำลังเก็บของเพื่อนีออกจากที่นี่กลับกรุงเทพผมก็เดินลงไปดูตรงบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนนี้ก็พบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคน เมื่อสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรือพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมันล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณชายหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือ ไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้น หัดสี่ยง